จะรู้แน่นอนอาจารย์มันสอนจนถึงแก่นในเหตุผลต้นปลายท่านอธิบายได้แะเยดยนอย่างดีด้วยมีเหตุผลท่านเคยผ่านผลมาก่อนโอมครับลงพร้อนหลงผิดไปใจกร่นโอ้พลังไปหัวใจร่อนรอนรู้ตัวแน่นอนกราอนอาภัย ปัญญาออกทิศจารณาศรัทธาความเพียรอย่าเวียนโหดหายธาตุสี่ขันธ์ห้าชัยกระจายรู้ให้กระจ่างดินน้ำลมไฟแยกแยะออกไปให้กว้างอาสุขันธอาสุพัง์ทั่วในเรือนรางไม่มียั่งย จะผ่านพิจไปทางอื่นจงใช้ปัญญาพิจารณาลึกซึ้งไปทีละขั้นวันคืนสมาทานเคียงยืนมิปเสนาสมาธิหนุนขางทางปัญญากรรมฐ า, านสภาาลมเย็นจากนั้นเมื่อใช้สมาธินำปัญญา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 นี่เวลานี้อายุก็เท่านี้แล้วและนับไปเท่านั้นเท่านั้นพอถึงจุดแปดสิบท่านก็พูดว่านี่มันจะนานอะไรพากันมานอนใจได้เหรอจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติก็เร่งเขา้าเมื่อได้ยินดังนั้นใจของท่านก็สั่นริกๆและเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ในการปฏิบททัติธรรม